ถ้าพูดถึงแฮมเบอร์เกอร์นะท่านทุกคนก็นึกถึงแมคโดนัลล์เพราะว่าร้านแมคโดนัลล์นี่มันมีเรียกว่าทั่วโลกเลยเมืองไทยนี่ก็มีมากมายนะหลายสาขาได้อ่านเรื่องราวนะของกำเนิดร้านแมคโดนัลล์นี่มันก็น่าสนใจนะ แมตตัวนแห่งแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นนะเมื่อทักเจ็ดสิบแปดสิปีที่แล้วโดยพี่น้องสองคนนะสองคนนี้นี่เขามีความรักนะในการทำอาหารแล้วเขาก็พยายามที่จะพ้นสูตรอาหารทำให้แฮมเบอร์เกอร์ของเขาเนี่ยนะมันมีรสชาติอร่อยแต่ว่าเขาทำมากกว่านั้นนะ ก็คือรู้จักคิดพลนวิธีการผลิตนะการบริการทำให้สามารถนะสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเรียกว่าสั่งปุ๊บนี่ประเดี๋ยวเดียวก็ได้ปั๊บแล้วนะเพราะว่ามันมีวิธีการผลิตที่รวดเร็วแล้วเขาก็รู้จักวิธีการบริหารนะ ก็คือร้านเขาเนี่ยมีอาหารไม่กี่อย่างแปดเก้าอย่างเท่านั้นแหละไม่เหมือนร้านในเวลานั้นนะร้านอื่นอในเวลานั้นโอ้อาหารในเมนูนี่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ร้านของแม็กโดนัลล์เนี่ยมันมีแค่เก้าอย่างนะแล้วก็ที่เป็นหลักก็คือแฮมเบอร์เกอร์นอกนั้นก็เป็นพวกมันฝรั่งทอดหรือว่าเครื่องดื่มนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยบริการลูกค้าได้เร็วผลก็คือนี่มีคนมาซื้อมาเข้าร้านนี่เยอะแยะเลยนะบางคนไม่ได้เข้าร้านนะแต่ว่ามาซื้อแฮมเบอร์เกอร์โดยเฉพาะก็ต้องเข้าคิวยาวเลยก็มีคนแนะนำนะว่าเนี่ยร้านเขาเนี่ยนะมันมีคนนิยมแบบนี้เนี่ย ไม่ลองขยายกิจการเนี่ยเป็นปเรียกว่าลูกโซ่นะ c h a i โตขยายสาขาไปเรื่อยๆนะบอกว่าเขาสองพี่น้องเนี่ยเขามาพิจารณาแล้วเนี่ยไม่เอาดีกว่าแม้ว่ารายได้นี่มันจะมีโอกาสงอกเงยขึ้นนะอาจจะเป็นหลายสิบเท่าเลยนะถ้าขยายกิจการ ในรูปของเปิดสาขาเป็นลูกโซ่นเนี่ยวาเนี่ยนถ้าว่าทำแบบนี้นะไม่ต้องเดินทางไปตามที่ต่างๆอยู่บนถนนกลางวันก็อยู่บนถนนกลางคืนก็ลงนอนโรงแรมเพื่อที่จะหาสถานที่ที่จะเปิดร้านเสร็จ แ, แล้วก็ต้องหาผู้จัดการอีกเหนื่อยนะปวดหัวนะ ฉันไม่อยากมาเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจแบบนี้ก็เลยพับไปแต่ตอนหลังก็มีคนเสนอใหม่นะบอกว่าเนี่ยก็ทำขยายกิจการในรูปแฟรนไชส์แฟรนไชส์นี่ก็คือขายสิทธ์นะขายสิทธิ์ให้กับคนที่สนใจแล้วก็ควบคุมคุณภาพสินค้าเท่านั้นแหละแล้วก็รับส่วนแบ่งไรายได้ นะไม่ต้องไปหาทําเลไม่ต้องไปเสียเวลาหาผู้จัดการให้ผู้ค้ารายย่อยที่ได้ไดสิทธิ น, นั้นเนี่ยจัดการเองเขาก็สนใจนะเขาก็เลยเริ่มเปิดแฟรนไชส์ขายแฟรนไชส์ขายถูกถูกนะไม่ได้คิดแพงแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มจะขยายกิจการไป ตามที่ต่างๆแต่ว่าเขาเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยอยากจะใส่ใจกับเรื่องการทำอาหารมากกว่าไม่อยากมายุ่งเกี่ยวเรื่องการขยายกิจการก็เลยไปจ้างคนหนึ่งนะขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการขยายแฟรนไชส์ชื่อเรย์คร็อกนะคนนี้เนี่ยต่อไปก็สำคัญมากเรย์คร็อกเนี่ยเขา พบว่าเนี่ยธุรกิจของแมคโดนัลล์เนี่ยมันสามารถจะขยายกิจการได้มากมายเลยนะเพราะว่าอาหารก็ดีคุณภาพของอาหารก็ดีหรือว่าการผลิตก็ดีนี่มันมันล้ำยุกนะแถมชื่อกเ็เทพเลยแมคโดนัลล์นมันดูติ ด, ดินเด็กก็พยายามขยายขายแฟรนไชส์ไปเยอะๆแต่ว่า สองพี่น้องแม็โดนัเนี่เขาไม่ก็เห็นด้วยนะก็บอกไม่น้องขยายมากหรอกเอาแค่สิบแห่งก็พอแล้วไอ้รื่องเขาก็บอกเนี่ยเออขยายเยอะนี่รวยนะรวยไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าสองพี่น้องนี้แกบอกว่าเนี่ยรวยมากก็ไม่ดีนะเอาเท่านี้ก็พอแล้วเพราะที่เป็นอยู่นี่ก็ มีกินมีใช้นะดูสุขสบายแล้วขยายกิจการไปเดี๋ยวคุณภาพของอาหารก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงเพราะว่าเรคคลองนี่เขาบอกเนี่ยถ้าจะขยายกิจการนี่มันต้องปรับเปลี่ยนเมนูบางอย่างนะไอสองพี่น้องแม่โดนนี่ไม่ยอมนะผมอยากจะรักษาของเดิมเอาไว้เพราะว่ามันมีคุณภาพดีแล้ว สุดท้ายในใยครัองนี้ตัดสินใจนะซื้อนะซื้อธุรกิจของแมคโดนัลล์เลยนะแทนที่จะเป็นลูกจ้างขอซื้อหมดเลยเพราะว่าทางพี่น้องแมคโดนัลล์นี่ก็ยอมนะยอมขายเพราะว่าฉันก็มีเงินพอแล้วฉันก็ทาแค่ทำร้านร้านเดียวก็พอนะขาย ขายแฟรนไชส์นะแต่ว่าร้านของตัวเองก็ยังทำอยู่นะเพราะก็มีความสุขกับการทำอาหารนะส่วนลิขสิินี่ยกให้เลยนะให้กับเลยครอบและที่น่าสนใจคือว่าพอทำสัญญาเนี่ยส่วนแบ่งของสองพี่น้องนี้ได้น้อยมากนะขายพูดง่ายคือขายในราคาที่ต่ำกว่า ที่คนเนี่ยคาดคิดไว้น่าจะขายราคาแพงๆนะแต่ว่าสองพี่น้องแมคโดนัลล์นี่ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากหลายคนที่พอรู้เข้าก็เสียดายนะดิ่งมารู้ทีหลังว่าเนี่ยโอ้แมคโดนัลล์นี่มันขยายกิจการร่ํารวยกันเป็นเป็นพันเป็นหมื่นล้านเลยถ้าว่า2พี่น้องแมคโดนัลล์นี่ยังเป็นเจ้าของอยู่นะก็คงจะรวยไม่รู้เรื่องแต่นี่เขาก็ ยอมขายราคาถูกๆนะแล้วก็แค่เป็นเจ้าของกิจการร้านเดียวก็คือร้านที่เป็นต้นกาเนิดก็มีคนมาถามว่าเนี่ยเสียใจไหมที่ขายนะในราคาที่ต่ำมากทั้งที่น่าจะขายในราคาที่สูงนะอาจจะสิบเท่าเลยก็ได้ สองพี่น้องมาดนนบอกไม่เสียใจเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าฉันขายราคาแพงๆนะจริงอยู่นะฉันก็อาจจะอยู่ในบ้านที่หรู อ, อาจจะเป็นตึกนะตึกราฟ้าแต่ว่าชีวิตคงจะวุ่นวายมากสุขภาพาคงจะย่ำแย่ป่วยโน่นป่วยนี่แล้วก็ยังต้องยุ่งเหยิงกับการหาทนายมาจัดการเรื่องภาษีรายได้ ผง่ายคือว่าเนี่ยถ้ารวยมากกว่านี้นี่ชีวิตไม่มีความสุขนะสุขภาพกายก็ไม่ดีนะแล้วก็ชีวิตก็วุ่นวายมากกว่าเดิมก็กลายเปว่านี่เขานี่นพอใจนะเป็นคนที่รู้จักพอไม่ได้หวังรวยมากอยากรวยก็มีนะแต่ว่ารู้จักพอพอรวยมาถึงจุดหนึ่งแล้วฉันก็ ไม่อยากจะรวยมากกว่า น, นี้แล้วเพราะอะไรนะเพราะรู้ว่าถ้ารวยมากกว่า น, นี้ชีวิตเนี่ยก็จะเป็นทุกข์สุขภาพก็จะแย่ไม่แค่สุขภาพกายเนี่ยสุขภาพจิตด้วยอันนี้ก็นัว่าเป็นคนที่น่าสนใจนะหลายคนนี่พอได้ฟังเรื่องราวของเขาแล้วนี่แหมนึกเสียดายทําไมแกงโง่แบบนี้ทําไมแกไม่ขายนะสิทธิ์ราคาแพ ง, แพง ดูเซเรย์ A R A, ครองนี่มันรวยไม่รู้เรื่องเลยรวยแบบเป็นเศรษฐีหมื่นล้านเลยแต่สุดท้ายเลย์ครองก็ไม่มีความสุขนะแม้ว่าจะมีเงินมากมายประสบความสาเร็จแต่ไม่มีความสุขไ ม, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเพื่อนฝูงครอบครัวนะรวยมากนะแต่ว่าว่างปล่าจากความสุขข้างใน ในอดีตพี่น้องแม็โดนัลนี่เขาก็รวยแต่ว่าเขาก็รู้จักพอแล้วเขาใช้ชีวิตแบบสมสถะนะยังคงมีความสุขนะกับการขายอาหารทาอาหารและสิ่งที่เขาวางเอาไว้เนี่ยนะวิธีการผลิตแฮมเบอร์เกอร์รวมทั้งวิธีการบริหารร้านนี่มันก็กลายเป็นสูตรมาตรฐานนะของร้านอาหารแบบ ฟาสต์ฟู้ดเนี่ยนะที่แพร่หลายในทุกวันนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นผลงานของเลคคร็อกนะแต่เป็นผลงานของพี่น้องแบล็กดนเนลชื่อริชาร์ดกับมอริสนะแต่ที่น่าสนใจไม่ใช่ความฉลาดของเขานะแต่คือความรู้จักพอที่จริงก็ฉลาดเหมือนกันนะคือฉลาดในเรื่องของชีวิตรู้ว่าเงินไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่งทุกอย่างนะมีเงินมากถ้าไม่รู้จักพอนี่ มันมีแต่ทุกอย่างเดียวเลยแต่ถ้ารู้จักพอแล้วเนี่ยนะมันก็สบายกายแล้วก็สบายใจเดือนอันนี้คือเบื้องหลังของร้านแม็กโดนัลนะซึ่งคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่